นนท์ป่วยนี้เป็โทษรางกายทำไมถูกต้องโทษเรานะใช่ไหมให้เราอย่าเสือเ่อมเลยคนนี้คนที่เกิดแล้วต้งมีอะไรบ้างเกิดแล้วก็ต้องมีแก่ขณะที่ทรงยึดอยู่ก็ต้องมีป่วยแล้วมีการพัดใต้จากของรักของชอบใจก็จมีความตายในที่สุดในท้องธรรมดาจะไม่พด ความจริงมันเป็นธรรมดาแต่แล้วก็ชอบธรรมดาใช่ไหมเราปวดนวดนนี้แล้ก็ด่านะทีต่อไม่เอยส่หน่อยนะก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวอักษรใช่ไหมดอทรอามันการภาษาอนนัองกฤนิดนึงิดเดีย ว, ดดยวรู้ความว่าเราเป็นทุกข์เพราะเราไม่ยอมรับความจริงเห็นไหม แต่ความจริงถ้าเราเป็นเราเปคนยอมรับความจริงล้วก็ไม่ต้องมาเกิดไปนิพพานนานะพระที่นั่นไปนิพพานแค่คําว่าพระนี่จะหมายถึงว่าห่มพระเหลืองไม่ได้นะคาําว่าพระจริงๆพระท่านไม่ได้หมายว่าต้องห่มพราเหลืองเสมอไปกกนุ่งกางเกงนอ ก, ก, กนุ่งกางเกงในอย่างคุณยันร้องก็เกิดารได้ไปได้ไหย นั่งชิดก่อนสามชั่วโมงนะไปคุยไนะยังไม่ถึงเวลาก็มาถันคำบ่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงเลีิ์ผู้ของพระเหลืองเสมอไปบุคคลใดตัากิเลสได้ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปจะนได้บอกพระมันพระแพ้พระที่ผมพระเหลืองโกนหัวผมมเหลืองอยู่นี่ ยังไม่ถึงพระโสดาบันทีเรียสมมติสงฆ์ยไม่เรียกได้เป็นสมมติประตูสมมติเขเองนะเพศเพศเป็นเพศพระราหันตจใจใช่ทำไม่ใช่ยังไม่แน่สําหรับท่านพระโสดาบันในที่เรียส่วนใดที่ตัดได้ก็ไม่กลับคืนไปย้อนกลับไปอีกคือบริสุทธิ์แน่ส่วนนั้นร <c oughs> ูธเจ้าจริงจริงบอกพระ ลองความว่าถ้าบาังเอิญคนทั้งหมดนี่เป็นบสดาบันให้ฉันต้องไปกราบกระเร๋าเลยด้วยไหว้กันแล้ ว, <c oughs> วนนก็คำว่าบสดาบันอย่าไปคิดนะไปต้องแต่งตัวแบบนั้นแบบนี้ต้องมีฐานะดีมีเงินใช้ไม่ใน่นะขอทานก็เป็นได้ ขอทานก็เป็นมรรสดาบันได้อย่างท่านสุ ป, ป า, าคุทากุติเดี๋ยวเข้าเรื่องอดีว่าเอาได้เวลาว่าไปเลยทีอย่างท่านสุ ป, ป า, าคุทากุติเนี่ยท่านเป็นขอทานด้วยและก็ท่านก็เป็นโลกเรือนด้วยเนื้อธระมาชาติสัพพะท่านก็เพราะว่าท่านเป็นพระอรณยเจ้าใช่ไหมยังไงไงเป็นพระอเรณยเจ้าตั้งแต่สมัยพรธเจ้าสรงชีวิตอยู่ ถ้าพูดตามอายุท่านก็ต้องเป็นที่ดีไม่ดีก็เลยปู่สองพันห้าร้อยมีเศษปู่อายุไม่ถึงนี่ใช่ไหมถ้าพูดตามฐานนะ้าของพระท่านก็ต้องเป็นที่ต้เคยก่อนท่านบูดนี้ท่านเป็นบสูรดาบัน <c oughs> แล้วการเต็งของท่านก็เป็นไม่ยากเพราะว่าบารมีถึงตามบาลีท่านก็ไม่ได้บอก ว่าพระพุทธเจ้าเพศี่ยังไงเป็นแต่เพียงบบว่าจะบอกว่าพระพุทธเจ้ากําลังเทศอยู่คือพระุทธเจ้าไปนั่งเพศฝังทางคําคว่าวางทางนั่นทราบว่าวันนี้สุภภาพุตตะกุติจะมาที่นี่คาว่ากุติเป็นแปลว่าโลกเรือนสุภภาพุทตะกุชื่อได้เป็นขอทานทั้งแตทราบ ต, ตอนเช้ามืดว่าวันนี้ถ้าสุภภาพุทตากุติมา ฟังเทศจากเราเมื่อเราเทสจบเธอจะได้ไปโสดาบันในการทรงทราบต่อไปวันลุ่งขึ้นเธอจะมารายงานผลการผลที่เพิ่งได้รับคือความโสดาบันหลังจากนั้นก็ถูกนันยาศลีแปลเป็นโวแม่อ่อนผิตายใช่ไหมเพื่อเพ็กอระจอมใจทรงทราบอย่างนี้ยึงพระเดชไปเทขวางทาง ตอพระท่านไปนั่งที่ไหนคนก็มามากมามากทั้งเทศท่านสุภาผู้ใต้กุฏิท่านไปขอทานด้วยไปโลกเรื่นด้วยเมื่อผ่านไปพบระพุทธเจ้ากำลังเทศก็ไม่กล้าก็ไปนั่งใกล้ไใครท่านในฐานะก็ไป่ควจะนั่งใกล้แต่ความเป็นโลกเรื่องก็ไม่ควรนั่งใกล้คนอื่นถ้านั่งใกลหน่อยแต่การนั่งในบรรดาท่านพุทธบริษัทจะใกล้ก็ตามอยาไกลก็ตาม คนที่ฟังเทเจียพระเจ้าพระเจ้ามีเทศมีการแสดงธรรมเป็นปฏิหารก็คือว่าคนทุกคนจะนั่งด้านไหนก็ตามจะมีความรู้สึกเห็นว่าพระเจ้าหันหน้าเสหาตนเองอยู่เสมอไม่มีไม่มีหลัง ม, มีแต่หน้าใช่ไหมแล้วก็ราการที่สอนจะนั่งไกลาสายไกลไหนก็ตามอาศัยพุทธปฏิหารคนฟังทุกคนจะฟังเข้าใจชัดจริงถนัดทุกคน เป็นนว่าสุ ป, ปาพุทธะที่แม้จะนั่งไกลไปหน่อยก็ฟังเทศจากพระเจ้า ช, าชัดเจนแจ่มใสว่าฟังเทศจบพระท่านก็บรรลุผลสุนดาปฏิผลพระพุทธเจ้าก็สู์กลับท่านสุ ป, ปาพุทธะก็กลับจับพระท้อมพระพุทธเจ้ากลับพิหารตอนกลางคืนท่ามานั่งทุนคิดเมื่อบอก ก, กลางกลางวันเราฟังเทศจากองค์สมเด็จสมชิตตมาน เราเป็นรโสรดาบันถ้าหากว่าพระเจ้าทรงทราบเราซึ่งเป็นขอทานด้วยเป็นโลกเรื้อนด้วยเป็นโลกที่คนรังเกียจแต่เวลานี้บังเอิญเป็นรโสรดาบันพระเจ้าจะดีใจมากจึงตั้งใจว่าวันพวกนี้จะไปเฝ้าองค์พระพุทธมีพัะภาพตราบคูณได้ทรงทร า, าบเป็นการเป็นมสรดาบันเขาเกี่ยวเรื่องนี้ก็เล่าป่อน แล้วหลังจากนั้นพระอินทร์ทรงทราบก็มาลองไใจรพระสุตปภุธาตอนนี้ก็ยัยบุคคลทุกคนทราบว่ากําลังว่าโสดาบัญนัมีแค่ไหนความจริงกําลังว่าโสดาบันนีม่นมีไม่มากแต่ก็ไม่น้อยกว่าของกวางคุณชนะรงนะใั <c oughs> <c oughs> ่ไหมกำลั ง, ลงโสดาจริงลดอบันจริงๆกระเพาะสิกขาคารมีนั้นมีสาม กมคืนหนึ่งสักกากรทิฏฐิมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายโดยสักกายะทิฏฐิที่มีความรู้สึกไม่เท่ากันมโสดาบายรรัยยสกิทาคารมีที่พระพุทธเจ้าทรงตัดว่ามีสมาธิธเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยจะมีสิ่งบริสุทธิ์ฉะนั้นการใช้ปัญญาของมโหสดาบายรรัยสกกยสกิทาคารมี ในข้อวสการยะติทิจึงมีได้ความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตาย <c oughs> ถ้ากําลังพระนาคามีในข้อวสกายะติทิก็ถึงืองเป็นนิพพิทายานคือมีความเบื่อหน่อยในร่างกายถ้ากําลังพระาหารหันวสการยะติทิจะมีความรู้สึกว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา <c oughs> เราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรา ดังนกำลังปัญญาของพระอริยเจ้าไม่เท่ากันในเมื่อพระโสดาบันมีกำลังน้อยขั้นแรกก็มีความรู้สึกได้ปัญญาว่าชีวิตที่ต้องตายถ้าต่อมาพระโสดาบันพระโสดาบันก็มีความรู้สึกตามความเปจริงว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ดีย่อมเป็นที่เชื่อสําหรับเรา ชีวิตของเราจะมีความเป็นสุขได้นในปัจจุบันในสัมปราคจะพบกับพระทศายนาคมทั้งสามเดืการคือ <c oughs> พระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์เป็นั้นเมงตัดสินใจด้วยกําลังของปัญญายอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความมุออง่งใจไม่เครือบแคลงสงสัยต่อไปหลังจากนั้นก็ทรงศินบริสุทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามที่ทราบมา การโสดาบันนี้ไม่ใช่ศินห้าเป็นกรรมบุตรสิเพราะจะสังเกตพ้อยคําของบรรณนาวิสาขายกุฎีนา น, นาวิมกษ์เศรษฐีก็ตาม <c oughs> หลายท่านที่เป็นระโสดาบันสังเกตที่ ว, วาจาศินห้าดีก็ท่านห้ามจะเพาะพูดเท็จแต่พูดคําเท็ตนั้นแต่คําหยาบในการเสียดสีกันการพูดเพื่อเจริญแลวไหลไม่ได้ห้าม พระประสดาบันเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่พูดเท็จอย่างเดียวไม่พูดเท็จด้วยไม่ใช่วาจาหยาบไปที่สะเทิดใจใครด้วยไม่เสียดสีใครแต่ร่างันด้วยไม่ใช่วาจาที่ไรประโยชน์ด้วยกระองความบ่าประสวดาบันสิกิทาธรมีมีกำหนดสิทอันนี้มปนเครื่องสนิทฐานนะกระองความบ่าประสวดาบันทรงทั้งศีลห้ากาหนดสิครบถ้วนไอ้ที่พูดตามนี้เป็นตามหลักสูตร ตามดักสูตรเขาน้องสือแต่ว่าแนวการปฏิบัติจริงๆเขาบา ร, รรดาที่พุ้จับริษัทท่านทาสมาธิหรือปรัช น, นาญาณร่วมก็ต้องสังเกตอาการอาการเขาบุกคนที่จะเป็นมรโสดาวันนาะมีอยู่ตอนนี้นางสือเขาไม่ได้เขียนเร้าใจรึป่าเพราะนางสือเขียนไม่ได้คนเขียนนะ่ การนี้เป็นโสดาบันี่มีอยู่ให้สังเกตตามนี้ขณะที่ทรงสมาธิร่วมวิปัสนายานคําว่าวิปัสนาญาณคือการใช้ปัญญาก่อนที้ภาวนาเนี่เราต้องใช้ปัญญาใช้ก่อนดีปัญญาก็ใช้การพิจารณาตามความเป็นจริงว่าชีวิตนี้มันต้องตายความเกิดเมื่อเกิดความมีความเกิดเกิดขึ้นแล้วต่อไปก็ต้องแก่ ขณะที่ทรงตัวอยู่มันก็ป่วยแล้วจะมีการพัดพลาดจากของรักของชอบใจมีความตายในที่สุดในเมื่อความตายมีอยู่อย่างนี้แล้วก็ต้องหาบุคคลธรรมพื่อธรรมนิพนจากความตายเมื่อธรรนิพจกความตายจริงๆเราต้องเปรียอรหันต์แล้เมื่อยังเปรีอรหันต์ไม่ได้ความมั่นใจยังไม่พอก็จะเปรีอรหันต์ได้ยังไม่ได้ก็ต้องยึดอารมณ์โมโหดาบันนี้ก่อน ว่าอารมณ์ปัจโสดาปันนี่ทาลายคือปิดกั้นที่เขาใบ้ภูมิบุคคลใดที่เป็นประโสดาบันแล้วบาปกรรมเก่าๆทั้งหมดที่ทำมาแล้วจะมากจะน้อยอยังไงก็ตามไายแรงแบบไหนงไงก็ตามไม่มีโอกาสให้ผล <c oughs> คือถ้าตายจากความในคน <c oughs> ก็เกิดเป็นนุษบ้างเปรติบดดาบ้างโสมบ้างถ้ายัางไปนิพพานไม่ได้ เมื่อบรรมีเต็มเพียงใดก็ปฏิพันธ์ทันทีถ้าไบยาคูไม่ลงกันวงความว่าผลของบาปเก่าไม่มีต่อไปอไม่มีโอกาสให้ผลนั้นเมื่อมั่นใจอย่างนี้ก็มีความครพรอบพระเจ้ากระทมพระอริยสงฆ์ในความมีใจมีสินไม่สุดใน <c oughs> การพิจารณากคำฐานต้องตัดสินใจก่อนกอนจะเป็คําถามให้ทิพย์ให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าการเกิดนี่มันเป็นทุกข์ ถ้าเราจับอยู่อย่างนี้อีกก็มีแต่ความทุกข์เกิดไปก็มีแต่ความทุกข์เราไม่กังวความเกิดอีกเราต้องการจุดเดียวพิณหวังสูงไว้ก่อนหลังจากนั้นก็พยายามยอมรับนักทีพระพุะทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจเอาศีลกําลังควบคุมกําลังสมาธิไว้เพราะว่าสมาธินี่จะส่งได้เพราะศีลถ้าศีลบกพร่องสมาธิก็บกพร่องต้องควบชิงแล้ส่งตัว หลังจากได้นก็จะมสมาธิตามธรรมดาเมื่อกําลังปัญญายังอ่อนสามารถเข้าเขตะโสดาบันได้แต่ขนาที่จะเข้าเขตวโสดาบันนี้ต้องถึงเข้าถึงโคระปุยานยาาโสดาบันก่อนคําว่าโคลระปุยานจะหมายความความรู้ที่เข้าอยู่ในระหว่างระหว่างโลกีกับโลกุตระคำว่าโลกีคือโลกจิตยังเต็มว ต, มตมิโลก โลกรัคือมักฝนพนโลกในจิตยืนช่วงระหว่างโลกรีกับโลกุตรักท่านเปรียบเทียบมันว่ามีเรายืนคล่อมรำลังเล็กๆเท้าวขวาก้าวไปเหยียบฝั่งโน้นแต่เท้าซ้ายยังไม่ยกจากฝั่งนี้ยืนคล่อมแบบนี้เขาเรียกว่าโคตรภู้ยัจะเรียกว่าประโสดาบันก็ยังไม่ได้จะเป็นฌานโลกรีก็ไม่ได้ ท่าค่อมระหว่างในขณะที่จิตอยู่ระหว่างโคตรภูญานในบรรดาในพุทธวิษัทสิ่งที่ท่านจะสังเกตได้เป็นโคตรภูญาณ <c oughs> ในตอนนั้นจะรู้สึกอารมณ์ของท่านจริงๆท่านจะมีความรู้สึกระระักเฉพาะปณิพันธ์อย่างเดียว <c oughs> <c oughs> จิตจะมีความมั่นของเฉพาะปณิพันธ์ไม่ต้องการอย่างอื่น ถือว่าแต่กิเลสจะหมดก็ถามว่าความรักจะมีไหมก็ต้องตอบว่ามีความอยากโดยยังมีไหมก็ต้องตอบว่ามีความโกรธยังมีไหมก็ต้องตอบว่ามีความหลงยังมีไหมก็ต้องตอบว่ามีแต่ว่าทั้งสี่อย่างนี้จะมีได้อยู่ในขอบเขตของสินห้ารักก็ไม่ละเมิดสินห้าอยากโดยก็ไม่ละเมิดสินห้าโกรธโกรธได้แต่ไม่ทาลายเขาก็ไม่ละเมิดสินห้า ความหลงก็หลงได้แต่ไม่ละเมิดสิ้นห้าอยู่ในขอบเขตก็สินห้ามันยังมีอยู่ไ ม, ม่หมดได้ความรุนแรงน้อยไปแต่ตอนนี้กำลังใจของทุกคนที่เข้าอยู่ในเขตโคตรภูยานจิตจะรักนิพพานอย่างยิ่งมีความมั่นคงนิพพานจริงๆแ <c oughs> ม้ระหว่างนั้นอารมใจโปร่งมีความผ่องใสามากจิตใจทรงตัวดี ถ้ากําลังอย่างนี้ถ้าจิตใจจะไม่ยอมเป ล, ลี่ยนแปลงจะปฏิพาณอย่างนี้ถ้าเรียกว่าโคตรภูญานเขามัโสดาปันถ้าคำว่าโคตรภูญาน ม, มีทุกขั้นของพระโสดาปันก็มีสิกขาคามีก็มีนาคามีเวรานก็มีเหมือนกันหมดถ้าอยู่ในระหว่างต่อไปคำว่าโคตรภูญานถ้าญาติโยมจะถามว่าจิตจะทรงอยู่ในโคตรภูญานสักกวันอย่างนี้ก็ตอบได้ยาก เราได้ แ, แต่กำลังอธิฐานบา ร, รมีก็แต่ละบุคคลแต่บุคคลผู้นั้นปรารถนาพุทธภูมิมาก่อนแล้วก็มาลาพุทธภูมิไปหลังปรารถนาเป็นสาวกภูมิพวกนี้ต้องทรงโคตรภูมยาง น, นานหลายวันอยู่ <c oughs> ดีไม่ดีเจ้าทรงใ น, นระหว่างโคตรภูถึงเดือนสําหรับท่านที่มุกหมายมาเป็นปสาวกโดยเฉพาะ อย่างนี้ถ้าจิตทรงตัวโกโตโก ต, ต, ตรกุยานญาณา น, นิสดไม่เกินเจ็ดวันแต่บางคนก็จะสรงได้แค่วันสงวันก็เป็นเบโสดาบันเลย ต, ตอนหลังถ้าจิตเข้าถึงเบสโสดาบันจริงๆเมื่อจิตเข้าถึงความเป็นเโสดาบันจริงๆเจอก้ารมรักนิพนธ์ยังสรงตัวมีความหนักแน่นมากแต่ว่าจะไม่อารมณ์เพิ่มคืออามรมณ์ธรรมดา ความรู้สึกรู้จิตว่าธรรมดาย่อมเกิดขึ้นสมัยก่อนเราไม่ค่ยจะมีธรรมดาใช่ไหมคิดใจหน่อยแล้วใช้ธรรมดาแทนนะ okay. ลดลดอารมณ์ไม่พอใจนะถ้าดาก็ได้ไมาอะไรหมดความอารมณ์ไม่พอใจเมื่อนั้นตอนนี้พอเข้ามาถึงอารมณ์ประสูดาบันถ้าประโสดาบันเข า, า, าครองใจจริงๆ ที่ยังตอวบว่าเมื่อกี้นิพบุนว่าถ้าถามว่าจะมีความโกรธไหมก็ต้องตอบว่ามีความโกรธแต่ความโกรธก็มโสดาบัญญัติกิาการมีไม่รุนแรงไม่ถึงกับทาร้ายร่างกายถ้าหาบว่าถามว่าอารมณ์ธรรมดาเกิดขึ้นในเมื่อเป็นมัสดาบัญญีอารมณ์ธรรมดาก็เกิดขึ้นการกระตุกกระตั้งไม่รุนแรงเกินไปใจก็เฉย พระโสดาบันนี้มีสามชั้นนะเอกวิชีโกลังโกละสตตะสตุประมะรู้ไหเนี่ยเอกวิชีมีรมละเอียดมากสูงสุดของพระโสดาบันอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นมนุษย์อีกชาติเดียวจะเป็นพระอรหันต์โกลังโกละขั้นกลางถ้าเป็นอย่างนี้ต้องเกิดเป็นมนุษย์อีกสามชาติจึงเป็นพระอรหันต์ สต้าสตุประมะต้องเกิดเป็นนรถอีกเจ็าชาติจึงเป็นพละฉะนั้นกำลังของม่สวนดาบันไม่เหมือนกันถ้าอยู่ในขั้นสต้าสตุปรมามะการการะทบกระทั่งเบาๆจะไม่มีความรู้สึกแต่การการะทบกรทั่งยัว่วยโกด ร, รุนแรงจะมีความรู้สึกบ้างแต่ไม่รุนแรงนะไม่ถึงก็คิดอยากจะฆ่า ถหากว่าโกลังโกราเพ่อโกลังโกราเนี่ขนยขนาดกระทบกระทั่งแรงแรงยังเฉยแต่กระทบไปบ่อยก็มีความหวั่นไหวไม่กันถ้าเอกวิชีเอกวิชีนี่กับพระศิกฐาคามีคล้ายคลึงกันมากอย่างนี้เพื่อนด่าวันนี้สามวันยังรู้สึกเขาดา่ามีไหมเขาด่าวันนี้นั่งฟังอยู่ลืมไปว่าเขาดา่าอีกสามสี่วันรู้สึกไอ้หมอหน้ามันด่ากูอยู่วังแม้ไมไปไกลแล้ว กิตก็เรียกว่าจิตสงดมากนะนี่เป็นเรื่องเสนเกตว่ารามาสมสวสดาบันได้เกิดขึ้นจิตเขาคว่ า, ามมรธรรมดาไม่ยัำปรากฏคำว่าธรรมดาปรากฏกฎหมายค้าวาถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์ในโลกนี้ก็ถือพุทธภาสิวณติโลเกอนิมิโตคนที่ไม่ถูกนินทาเลยไม่มีในโลกการกระทบกทั่งการนินทาเป็นของธรรมดาของคนที่เกิดมาในโลกนี้ ทุกจุดรองโลกนี้มีเต็มด้วยความนินทาและสันเสริญสันเสริญก็มีนินทาก็มีฉะนั้นคนที่เป็นประสงดาวันจึงใจเชื่อมไปหน่อยใจจืดไปนิดสําหรับการนินทาและสนเสริญเขานินทาความหวั่นไหวก็น้อยเขาสันเสริญการยินดียิงแย่แจ่มใสก็น้อยไปท่านยอมรับตรผพีความเป็นจริงว่าเราจะดีหรือจะชั่วอยู่ที่การรพปฏิบัติ ก็ å, วันนี้กับมันมาอย่างไงกันเนี่ยที่ลงมาสวดาบันได้ก็ <c oughs> ลโลความว่าในทีพูดแล้วก็พูดกันไปเข้าเรื่องให้ได้นะท่า น, นี้มาที่การปฏิบัติบรญญาเทพุตรบริษัทเมื่อคืนนี้พูดถึงอริยสัจอริยสัจคือทุกข์สัจเห็นว่าโลกนี้เป็นทุกข์เกิดเป็นทุก ข, ก ข, กนกข์นั่นเหลือเวลาสิสองนาที ก็ตอนนี้ไปก็จะขอพูดเรื่องวิปัสนาญาณสักข้อหนึ่งให้สับเพื่อเรื่องวิปัสนาญาณรู้สึกจะสะดุ้งเลือดก็ได้หนักมนะักคําว่าวิปัสนาญาณภาษาไทยก็แปลรู้แจ้งเห็นจริงถ้าพูดในตัวใจชัดก็แปลวเข้าใจตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงวิปัสนาญาณข้อนี้ขอนํานิกายทายาทมา นิปทายานเนี่ยเป็นอารมณ์เขาว่าอนาคามีถ้าถาว่าถามว่าเขจะเป็นอนาคามีได้ไหมก็จะตอบว่าเป็นได้หรือไม่ได้ก็ไม่แปลกเราจะใชอารมณ์เบื่อหน่ายสักวันสองนาทีจะไม่ได้หรือพยายามชนะกำลังใจสักวันสองนาทีให้มีความรู้สึกเบื่อหน่ายโลกนี้จริงๆ แล้เวลาไหนก็ได้ก่อนหลับหรือตื่นใหม่ๆก็ได้เวลาถ้า ต, ตื่นใหม่ๆมาหายว่าไม่หายเปลี่ยนก็ลืมตายขึ้นมาปักปดคิดถึงความจริงของโลกนี้ว่าโลกนี้มีมุมไหนบ้างที่ไมมีความสงบ ก, กับมีความสุขจริงเราก็จะไม่พบความสุขทั้ความสงบของโลกโลกเต็มมีความ ว, วุ่นวายที่ะะว่ายกเสบอว่าโนที่นี่ ว, วนนุ่นวายนอที่มีขัดข้องนอ ท้ามืาวุ่นวายคือตัวเราเองเนี่ก็วุนวายตัวเราพตื่นเช้าสิ่งที่ต้องทําที่ต้องทําก็คือกินถ้าไม่กินมันก็หิวไอ้ก่อนที่จะ ก, กินก่อนนั่นมาก็ต้องหาเงินหาทองมาเพื่อกินแอาศัยสถานที่อยู่ที่ก็วุนวายพอดูที่วุ่นวายตลอดชีวิตตอนนี้มาความาวุ่นวายของร่างกาย ร่างกายของเราจากความเป็นเด็กพมื่อมาเป็นหนุ่มเป็นสาวมันไม่สงตัวมันเคลื่อนด้วยพล้วถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วมัเคลื่อนห า, ายไปกลางคนจากวัยกลางคนมาถึงคนแก่จากคนแก่ก็จะเป็นคนตายขณะที่ทรงชีวิตอยู่ยังไม่ตายก็มีการป่วยไข้ไม่ส บ, บายบ้างกําทบกระแทกอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจบ้างทําพัดปลายจจของรักของชอบใจบ้าง กรมความมันโลกนี้แต่ไม่ได้ความน่าจะเบื่อไหนไม่น่าอยู่เอาง่ายๆแบบนี้ก่อนนะก็ตัดสินใจมองดูว่าโลกนี้มุมไหนเราจะเกิดเป็นคนฐานะเช่นไรบ้างที่ียพ้นจากหนึ่งความแก่สองความป่วยสามความรัดพลาดจาของรักของรับใจสี่จากความตายเราจะเกิดในตรกูลไหนที่มันพ้นอาการอย่างนี้ ถ้าคิดจริงๆแล้วก็ไม่พ้นไม่ว่าแต่คุณไหนทั้งหมดคนฐานะเจริทั้งหมดก็มีประสบการณ์เหมือนกันต้องแก่เหมือนกันต้องป่วยเหมือนกันหมดแล้วมองไปดูว่าถ้าเราเกิดโลกนี้อีชาติว่าไรเราจะพบความสุขคือความมั่นคงคำว่ามั่นคงหมายการเที่ยงจะไม่ไงก็ไม่มีการเคลื่อนตัวเราก็ไปพบอีกเพราะโลกทั้งโลกเวนิจังเป็นของไม่เที่ยง แม้แต่พระอาทิตย์ก็ไม่เที่ยงเช้าโผล่ขึ้นมาเห็นแสงต้องยินแล้วก็หายไปความไม่คำองของที่ในความีหงาไกลอย่างนี้ของพระอาทิตย์เที่ยงแตเรามีความรู้สึกก็ไม่เที่ยงคนที่เรารักคนที่เราเคารพคนที่เราชอบใจต้องการให้ท่านอยู่กับเรานานๆตลอดกาลตลอดสมัยแต่วาระเข้ามาถึงท่านก็ต้องตายความไม่เที่ยง ความถลดใจความเสียใจอ้างว้างก็เกิดขึ้นกับเราที่รวมว่าโรคนี้ก็ไม่เกียงเป็นทุกหน้าเบื่อไม่กันร่างกายของเราบางแก่เลยก็มาหาความตายทุกวันทุกวันจะเลี้ยงขนาดไหนจะรักษาขนาดไหนบริหมายขนาดไห น, น, ไหนร่างกายก็ไม่หยุดไม่หยุดความแก่หนาที่สุดเป็นเศร้าใจแล้วก็หน้าเผื่อร่างกายอยีกเป็นกันรวมภาวะโรคโ ก, ก็ดีสมบัติของโรค ก, ก็ดีคือเรา เป็นสิ่งที่น่าเบื่อในร่างกายแม้ฮักว่ามันเบื่อจริงๆแล้วก็ต้องคิดอย่างพระบคุคลาในภาษาดิบุตรทีพระบมคลาในภาษาดิบุตรท่านดูมารสดูไปในปีกันก่อนมาเคยเคยมีความเรื่อนเริงบันเทิงใจนะกุมารวสุในการควรให้รางวัลก็ให้คนชมเชยก็ชมแต่ว่ามาปีสุดท้ายทั้งสองท่านดูมารสุไม่สนุก นังดูกันสองคนตั้งต้นจนปลายไม่มีใครยิ้มไม่มีใครชมไม่มีใครใหอนุวันนั้งสองคนเมื่อเลสเลิศแล้วทั้งสองท่านก็ถามว่าเพื่อนจะไปเหงาไปต่างคนต่างว่าหากครเหงาไปต่างคนก็ถามว่าเคยคิดอะไรทั้งสองคนก็มีความรู้สึกเหมือนกันว่านั ก, กแสดงมารสกก็ดีคนดูก็ดีทั้งหมดนี้ไม่ถึงร้อยปีต่างคนต่างตายหมด เราพูดดูก็ตายผู้ดแสดงก็ตายคนหนึ่งที่มาดูก็ตายเหมือนกันแต่กระฟจาง ค, คิดว่าทำที่ทําให้บุคคลเกิดแล้วตายมีอยู่ทำที่ทําห้คนทำให้คนทำทำคนให้ไม่ตาย ต, ายต้องมีเพราะโลกนี้เป็นของคู่กันคือมีมืดก็ต้องมีสว่างมีรักก็ต้องมีเกลียดกระลมความทั้งสองคนตัดสินใจหาโมกระทําคําว่าโมกขานเป้าคนเพื่อทำเป็นเครื่องค้นจากความตาย ท่านยิ่งเดินไปไปสุดก็ไชนสนักสนใจปฏิภาชีชกใน้สุดนี้ว่าสนักด้านสอนดีไม่พอไม่ทนกับความตายไปพบว่าสัจจิเข้าก็าไปหาพระพุทธเจ้ า, ามัรดาฯเจ้าโจพุทตบริยศักดเขาช่นเดียวกันในเมื่อถึงว่าเราจะต้องเกิดอย่างนี้ต้องมีความทุกแบบนี้ต้องมีความเปลี่ยนแปลงแบบนี้ต้องถูกทรมานแบบนี้ต้องตายแบบนี้ทุกชาติ เราก็หาทางพ้นจากความเกิดเชะความพ้นจากความเกิดอันดับแรกอย่างชั้นง่ายๆก็คืออารมณ์โสดาบันคิดว่าชีวิตนี้มันนองตายเราไม่ทำการชีวิตอย่างนี้ต่อไปการที่เราจะพ้นจากความตายต่อไปได้ก็ต้องอาศัยพระพุะทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งยอมรับต่อผืนด้วยความจริใจหลังจากนั้นก็มีสินะกํารบริสิทธิ์ที่ครอบต้นรักษากําลังใจกําลังกายให้มีความสุข เรามีความสุขตา่างนี้จิตจะคิดว่าเราต้องการมิพันธ์โจเดียวเมาส่ารมอย่างนี้ได้แล้วว่าตัโตสุดท้ายคืออวิชชาอาวิชชาที่พเจ้าสุกกาว่าตัวไม่รู้คือไม่รู้อริยสัจไม่รู้ความจริงอย่างหรือเขารู้แต่ตัวที่จะไม่เกิดเขาไม่รู้อวิชชาตัวนี้พระเจ้าทรงแยกประเดันคันทวักแยกสัพเปสองสับว่าฉันทะกับราคะ ขันดับแรกก็คือตัดฉันท่าคือความพอใจในมนุษย์สโลกเทวโลกลกับกุมตะโลกเสียมีความรู้สึกตามความจริงว่ามนุษย์สโลกเทวโลกลกับกุมตะโลกทั้งหมดนี้ไม่แสดงก้นทุกในมนุษย์มีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุขเทวโลกกับอมตะโลกมีความสุขจริงแต่สุขไม่นานหมดบุญมรนาบรารมีก็ต้องมาใหม่ เราตัดสินใจว่าขึ้นจิวโลกทองสามเราไม่ต้องการไม่ต้องการต้องการนิพพานจุดเดียวหลังจากนั้นก็ตัดฉันอาลาคาัตคือความเห็นว่าสวยการเห็นว่ามนุษย์สโลกสวยไม่มีในเราเทวโลกอมรโลกสวยก็ไม่มีเราเราต้องการานิพพานในเมื่อจิตต้องการนิพพานอย่างนี้ข้ขอบรรดาเทพธุ์บ ร, ริษัทใช้อารมณ์ใจวางเฉยเหมือจาก นอกจากที่ติดหายางขึ้นไปหน่อยเป็นตัวสุดท้ายก็คือสังขารเบิดหายางสังขารเบิดหายางนี่เป็นวิปัสนาญาณสุดท้ายคือไม่จําเป็นต้องใช้ทั้งเก้าตัวถ้ามีความฉลาดพอสมควรก็ใช้แค่ตัวสองตัวพอพิปัสนาใหญใช้สังขารเบิดหายาเพื่อฝึกเฉพาะเวลานิดหน่อยสังขารเบิกหายางคือวางเฉยในร่างกาย ร่างกายบรญญาแก่เราไม่คุกเพราะมีความรู้สึกตามธรรมดาว่าร่างกายมันเกิดมาเพื่อแก่ร่างกายป่วยมันก็มีทุกขเวทนาเป็นเรื่องของมันจใจใจไม่ยอมทุกข์ด้วยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานั้ร่างกายที่เกิดมามันต้อป่วยอย่างนี้เหมือนกันทุกคนแม้แต่พระเจ้าเองก็ต้องมีหมอชีวกกรมารพเป็นหมอประจำตัวป่วยไม่อกันเรื่องความว่าร่างกายจะเป็นไงก็เป็นเรื่องของร่างกาย อย่างนี้ฝึกใช้เวลาฝึอกอารมณ์จิตสักวันละสิบนาทีก็พอให้ได้มากกว่านี้ก็ดีก็ตัดสินใจว่าถ้าร่างกายเลวๆอย่างนี้มันต้องแก่มันต้องป่วอย่างนี้เราก็ไม่ต้องการมันีกถ้าร่างกายนิพพานไร้ข้อปฏิพา น, น์านจุดเดียวหลังจะได้ก็หาทาทําลายราชาของอิเล็ก็คือหนึ่งตัดโลภะดุจยาการนุอติดกรรมฐานและการให้ทาน <c oughs> ยังไม่มีทรัพย์เป็นยังให้โอกาสยังไม่มีให้คิดว่าถ้าใครก็มีทุกเราจะสงเขาะจะมีความสุขตางกำลังถ้าโอกาสมีแล้กวก็ให้โอกาสไม่มีอะไรังไม่ให้ใช้กำลังใจตัดไปก่อนพยายามค่อยๆตัดโทสะเบาๆด้วยเมตตากรุณาจังสอนใจการคือตั้งใจรักษาสิ่นี้บริสุทธิ์กำลังของสิ่งนีบริสุทธิ์จริงก็หนึ่งต้องมีเมตตาความรักไม่ใช่สมาทานเฉยๆ ถ้าสองกุฎณาความสงสารพยายามให้อภัยตบคคลที่ทําให้เราไม่ถูกใจตามทุกคนเอาแค่วตนเล็กน้อยได้ <c oughs> ที่สุดวิญญาณตัดโมหังคือความหลงหลงที่เห็นว่าร่างกายของเราดีตอนนี้เราไม่หลงแล้วเห็ร่างกายมันไม่ดีอยู่แล้วหากว่าบรรดาแทนพุทธบริษัท ต, ตั้งใจทําอย่างนี้ได้ใช้ลมสังขารรือเปพย์ขาใหญ่วางเฉยให้กายเคลื่อนไหวของร่างกายร่างกายจะแก่ก็เชิญแก่ไปเรื่อยของเอง ร่างกายจะป่วยเพเชิญป่วเป็นเรื่องของเจ้าร่างกายจะตายก็ตายไปเมื่อตายไปรล้วต้องการนิพพานมืนั้นถ้ารัากษากําลังใจจะปฏิบัติจากการให้ทานทาลายความโลภถ้าสาหิลทาลายความโกรธแล้วก็ตั้งเข้าใจความจริงตามร่างกายเข้าใจพระตักความหลงอย่างมีถ้ากําลังใจเขาม่ตายแต่พระจบริษัทธแบบนี้นะเาง่ายๆถ้าเวลาจะตายจริงๆเมื่อเวลาปล่วย กำลังอารมณ์ทั้งหมดจะรวมตัวมันจะมีความรู้สึกเฉยๆกับความอาการป่วยของร่างกายคิดว่าเป็นธรรมดาของร่างกายร่างกายพยาตายก็ เ, เรียกงขางมันกําลังใจในตอนนั้นก็บรรดาเทพนทธบริษัทบันเด็จเฉยทุกอย่างไม่ห่วงร่างกายด้วยไม่ห่วงบุคคลด้วยไม่หวงทรัพย์สินด้วยจิต ใ, ใจตั้งตรงจุดเดียวคือนิพพานถ้ากาลังใจแบบนี้บรรดาเทพุทธบริษัททุกท่านตายเมารัยนิพพานเมือนั้น เวลายก็หมดก็ดีตอนนี้ไปพุทธาจพุทธวิสัทถ์ิรันรสร้างใจสมาทานสินสมมาน